คิดอย่างไรจึงจะผ่อนคลายความทุกข์ได้ข้อที่หนึ่งการคิดโดยรวบรัดการคิดโดยรวบรัดเป็นการเอาชนะความทุกข์ความกลุ่มใจด้วยวิธีตัดปัญหารายละเอียดทิ้งหาทางยนความกลัดกลุ่มนั้นๆทิ้งอย่างไม่รับรู้รับฟังข้ออดครวนใดท้งนี้ต้องคิดเหเอียดเรื่องทุกข์ร้อนทั้งหลายเป็นเรื่องเลวๆหลยๆไม่จริงไม่จัง เป็นเพียงมายาหรือภาพหลอกมันจะเกิดขึ้นในลักษณะไห น, นเช่นไรก็เชิญเกิดไปแต่เราจะไม่ยอมทุกข์ไปตามด้วยทั้งนี้เราอาจหาพยานได้จากตัวเราเองบุคคลแต่ละคนคงจะได้เคยผ่านทุกข์ร้อนกลุ้มใจกันมาบ้างไม่มากก็น้อยยิ่งอายุมากขึ้นก็คงได้ประสบพบเห็นหรือลิ้มรสความขมขื่นแห่งชีวิตมากกว่าคนอายุน้อย ความทุกข์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตถ้าจะเทียบว่าเป็นประหนึ่งความฝันที่น่ากลัวแต่พอการเวลาล่วงไปเราก็ลืมความฝันหรือเพียงช่วงเวลาที่ตื่นจากหลับเราก็รู้สึกว่าแท้จริงความฝันนั้นก็ไม่เป็นจริงเป็นจังหรือมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันตกค้างหลงเหลืออยู่ความทุกข์ของเราก็เช่นนั้นพอผ่านไปแล้วก็ราคาเดียวกับความฝัน ในขณะนี้เราอาจจะจัดการกับความทุกข์ต่างๆในสมัยที่แล้วๆมาแห่งชีวิตของเราได้เพียงอย่างมากก็คือการคิดทบทวนเล่นแบบความฝันเท่านั้นเมื่อเราได้ตัวเองเป็นพยานเช่นนี้เราก็จะได้คิดเหยียดเรื่องหน้ากลุ้มอกกลุ้มใจที่กําลังเผชิญหน้าเราอยู่นี้เป็นเพียงเรื่องขยะมูลฝอยพอไม่กี่วันก็จะกลายเป็นเพียงภาพที่เราประสบในความฝันหาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ยอมฟังรายละเอียดแห่งความกลัดกลุ่มนั้นคงคิดรวบรัดโยนทิ้งทั้งหมดทีเดียวอีกอย่างหนึ่งถ้าจะไม่คิดเหยียดลงเป็นเพียงขยะมูลฝอยหรือความฝันก็ยังมีวิธีคิดแบบรวบรัดอีกอย่างหนึ่งด้วยตั้งคติประจำใจขึ้นง่ายๆว่าในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนาชนเราจะไม่ยอมมัดมือมัดเท้าให้แก่ความทุกข์ร้อนทั้งหลาย เราจะไม่ยอมให้ทุกข์กินเปล่ามารังแกได้และถ้าจะมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็จะพยายามให้มันเกิดขึ้นเพียงแค่กายจะไม่ให้มันลุกลามมาครอบงำถึงจิตใจจนไม่ได้สติหรือรู้สึกมืดมิดไปหมดโดยวิธีการนี้ก็เป็นการไม่ยอมรับฟังราลยละเอียดเรื่องความทุกข์ร้อนนั้นเช่นเดียวกันคงโยนทิ้งด้วยตั้งคติประจาใจขึ้นง่า ย, ายว่าเราเป็นพุทธศาสนกชน ฉนั้นเราจะไม่รับเอาทุก์ไว้ให้กวนใจเรา